ตอนนี้ไปเตรียมตัวนั่งสมาธินั่งกัดสมาธแบบินั่งแบบสบายๆนั่งแบบสบายๆท่าสบายทำตัวให้ตรงหลับตาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดสมโมนียถาให้ฟังเสียก่อน จากนอนค่อยนั่งสมาธิต่อไปวันนี้พวกเรานับว่าเป็นวันโชคดีวันหนึ่งองหลวงตาอย่างที่พวกเราเห็นอายุถึงเก้าสิบสามปีได้มาเมตตาถึงวัดวาศาสานามาถึงวัดของพวกเราท่านในอุตส่าห์มาพวกเราได้กราบไร่ยว้ หลวงตาเป็นพระปฏิบัติอากับกิริยาของท่านวงหลวงตาน่าเคารพนับถืออายุแก่ถึงขนาดนี้การเทศนาว่าการกับย่งพวกเราได้ยินได้ฟังวันนี้เป็นธรรมะที่ไปร้อจับใจน่านำเอาไปคิดไปพิจรารณาเป็นตัวอย่าง ที่องค์หลวงตาได้แสดงธรรมให้พวกเราฟังในวันนี้ถึงจะไม่มากแต่เนื้อหาสาระแล้วอออกมาจา ก, ก จ, จิตใจท่านบอกว่าในโลกนี้ถ้าหากว่าจะหาทางถามใครก็าตามในโลกจั ก, กรวาลใบ น, นี้ใครว่ามีความสุขที่แท้จริง สามดูเถอะเป็นความสุขที่จอมปลอมทั้งนั้นท่านว่าลักษณะอย่างนี้แหละแต่ถ้าไม่เรียงํำดับให้ถูกเปี้ยทุกคำก็คงจะเป็นไปได้ยากที่หลวงพ่ออธิบายแต่เนื้อหาสาระของท่านนั้นเป็นแนวแถวที่หลวงพ่อพูดเพราะว่าความสุขทางโลกถึงจะมีเงินคำทรัพสมบัติยศถาบรรดาศักขนาดไหน เขาก็มีความสุขแต่ส่วนด้านจิตใจลึกๆแล้วหาความสุขไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ชําระจิตใจไม่ได้ดูจิตใจไม่ได้ชําระจิตใจไม่ได้ไม่ได้ชําระความโลภโกรธหลงในจิตใจอย่าหวังเลยว่าจะมีความสุขแต่ถ้าหากว่าได้ําระทางจิตใจได้ภาวนาชําระโลภโกรธหลงทางจิตใจ เป็นอริยะบุคคลเป็นพระหันเมื่ อ, อไหร่เมื่อนั้นแหละจะมีความสุขที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้ชำระจิตใจมีแต่หาสิ่งภายนอกเงินคำทรัพสมบัติยศถาบรรดาศักมาประดับเฉยๆก็เหมือนประดับภายนอกเท่านั้นเองแต่ส่วนจิตใจนั้น มีความทุกข์มีความว้าวเวอ้างว้างลึกๆอยู่ในหัวใจหาความสุขไม่ได้สรุปแล้วเพราะนั้นทำเท่านั้นแหละจะเป็นเครื่องกาจัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจเมื่อใจของเราได้ถูกชำระด้วยธรรมแล้ว ใจจะได้รับความร่อนเย็นผ้าสุกอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระที่พวกเราได้ฟังในวันนี้แต่ม้วนเทปก็ยังมีถ้าพวกเรายังสนใจก็จะจะฟังอีกก็ยังได้อจากนั้นท่านก่อเรื่องภาวนาจิตภาวนาท่านก่อได้นเน้นเรื่องการภาวนาให้พิจารณาร่างกาย ถ้าเห็นตามความเป็นจริงคนเรามันหลงอะไรหลงกายถ้าไม่หลงกายแล้วไม่มีอะไรจะหลงอันดับแรกคือคือหลงกายหลงกายตนหลงกายคนอื่นอกิเลสตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้คือกิเลสการมาราคะถ้าหลงหลงตัวเองหลงคนอื่นแล้วก่อนนี่แหละยังไปไหนไม่ได้มันยังหลงอยู่ แต่ถ้าหาว่าชําระความกิเลสความหลงตัวนี้กิเลสกรารมราคะตัวนี้ได้แล้วท่านว่านั่นแหละคือพระอนาคาคาพระอนาคาไม่ต้องหาที่ไหนหาที่อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นในตรงใจของเรานี่แหละเท่านั้นพระอนาคาคาจะเกิดขึ้นจากจุดไหนให้เพียร น, นากายตนเองให้เห็นเป็นอสุภะให้เห็นร่างกายตัวเองเป็นของเป็นอนิจจัง ของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของจะต้องแปรผันแตกสลายไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งในเมื่อตัวเองแตกสลายคนอื่นก็ต้องแตกสลายเหมือนกันถึงจะเป็นรูปร่างกางตัวเสร็จสวยงดงามตามโลกสมมุติตามกิเลสเสกสรรขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นอีกสักวันหนึ่งก็จะต้องแปรผันไปแก่เท่าชะลาจนถึงลมหายตายจากไปสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนกัน หัวหน้าให้พิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงตั้งรูปขึ้นมาต่อหน้าของเราตั้งรูปสวยงามทั้งรูปเป็นสวยงามอตั้งรูปสวยงามขึ้นมาเป็นยังไงแล้วก็ตั้งรูปที่ไม่สวยงามขึ้นมาเป็นยังไงใจของเราจะได้กําหนดดูเมื่อเห็นรูปสวยงามใจของเราเป็นยังไงไม่สวยงามเป็นยังไง เราจะไม่พูดเลยจากนั้นไปอันนี้คือหลวงตาท่านพูดในวันนี้แต่ตามไม่จริงท่านจะเน้นหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจใจเราไปให้ความสมมุติว่าสวยว่างามสิ่งนั้นมันจึงสวยงามถ้าใจของเราไม่ให้ไปไปสมมุติสิ่งเหล่านั้นมากกว่อยู่อย่างนั้นแหลเพราะเรา ความสาคัญออกไปจากใจของเราเพราะนั้นวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับพวกพระลูกพาะหลานทั้งหลายได้กราบคารวะองค์หลวงตาเป็นสิริมงคลนานทีปีหนเดือนหนึ่งท่านจะมาเมตตาครั้งหนึ่งระยะนี้นะแต่ก่อนหน้านี้บางทีก็เดือนละสองครั้งก็มีแต่เดือนละสามครั้งก็นา น, านมีที แต่ทุกวันนี้เดือนละครั้งแต่ไม่มีกำหนดว่าจะมาวันไหนแต่ลงพ่อเองจะมีเตอบอกกับพระเอาไว้อย่างที่พวกเราได้ยินนั่นแหละในช่วงนี้หลวงตาพร้อมที่จะมาวัดของพวกเรานะนะให้เตรียมเตรียมตัวให้เตรียมตัวไว้ยาพึ่งพักผ่อนนอนนะตอนสนะิบเอ็ดโมงน่ะสิบเอ็ดโมงครึ่งไปหาเที่ยง ก็มาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเอาไว้วันนี้พวกเราก็ได้กราบไป้ไหว้องค์ที่ไม่ประมาทถ้าองค์ที่ประมาทได้ผันแล้วไปคงจะเดือนหน้าเหมงันกันแต่องค์หลวงตาจะมาอีกแต่องค์หลวงตาไม่ใช่ว่าเราจะได้พบง่ายๆนะอยู่ในวัดของท่านท่านไม่ได้เกี่ยวข้องยุ่งเหยิงสูงสิงกับใครๆทั้งหมดท่านจะอยู่ตามลําพังของท่านมีแต่ตอนเช้าแต่ําเองมาเทศนาว่าการจากนั้นก็หายเงียบไป ใครจะเข้าไปเนี่ยก็ต้องเข้าไปกราบท่านลำบากอยู่เพราะว่าท่านแก่แล้วท่านจะมาลบรับแขกรับคนเหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้ท่านก็พักป่อนตามอัธยาศัยของท่านอายุถึงเก้าสิบขวบปีแล้วเ น, นี้ท่านได้มาหาพวกเราเนี่ยก็นับว่าเป็นบุญกุศลของพวกเราได้กราบได้ไหวได้มาฟังธรรมใกล้ชิดท่านท่านมาถึงวัดเราท่านทำเหมือนวิศาสะ เมตตาพระลูกพระหลานพวกเราทุกๆคนนับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งที่พวกเราได้กลาไปไหว้ท่านและได้ฟังโอวาทของท่านอีกนะและก็วันนี้พวกเราได้ขึ้นมาปฏิบัติธรรมที่หลังเขาภูกอนที่หลวงพ่อพานำพวกเราเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการประพฤติปฏิบัติเปลี่ยนนอกสถานที่ แล้วก็ขึ้นบนหลังเขาอากาศเบาสบายอากาศดีมากวันนี้พวกเราได้นั่งภาว น, นาที่หลังเขาเป็นชั่วโมงจากนั้นก็ได้ลงมาถึงขณะนี้ก็ได้มากรกาบเจดีประถมเจดีบุรพาเจดีได้กราบพระบรมสารีริกธาตุที่พระเทพ ในมาบรรจุเมื่อปี2534ที่เจดีย์แห่งนี้เป็นเจดีย์ที่หัวใจของอำเภอนายูงน้ำโสมในถิ่นี้ว่างั้นเถ อ, อะแล้วก็เป็นเจดีย์ที่ถ้าทางโลกขาเป็นเจดีย์ที่สวยงามแห่งหนึ่งบรรยากาศเงียบสงบอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ขณะนี้น่ะเงียบขนาดไหนเนี่ยแล้วก็พวกเราได้ ทำวัดเย็นจากนั้นก็ได้พระทักศิลรอบพระเจดีสามรอบรอบที่หนึ่งเดินรอบที่หนึ่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธเดินรอบที่สองทำโมะระลึกถึงพระธรรมเดินรอบที่สามสังโฆรละลึกถึงภา ร, ริยสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากนั้นแล้วก็ได้มานั่งเพื่อจะได้ปฏิบัติ ทำต่อไปก่อนที่จะปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็จะแนะนำในการประพฤติปฏิบัติประจำวันตั้งแต่พวกเราได้มวดเข้ามาหลวงพ่อเพียงหว่างเว้นเพียงวันเดียวที่ไม่ได้พูดให้แก่พระลูกพระหลานได้ฟังเพราะนั้นวันนี้ก็จะได้แนะนำ ในภาคปฏิบัติสำหรับพวกเราท่านทางหลายในต่อนี้ไปให้พวกเรากำหนดลมหายใจเข้าออกในหลับเป็นหลับอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันกำหนดพุทโธพุทโธในปัจจุบันสักห้านาทีหรือสิบนาทีให้จิตใจอยู่กับตัว จากนั้นเมื่อจิตใจอยู่กับตัวพอสมควรจิตใจมีสติอยู่กับตัวเองพอสมควรให้นำจิตที่อยู่กับตัวนี้นำมาพิจารณาทางร่างกายทดลองดูนะเอออันนี้แหละ ว, ว่าวิปัสสนาที่ทำจิตให้อยู่กับตัวนิ่งเนะี่ยเรียกว่าสมถะสมถะวิปัสสนาสมถะคือทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่ง ส่วนวิปั ส, สนานั้นนำจิตให้พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเราไม่ต้องคิดไม่ตั้งทางอื่นเราไม่ต้องเพ่งอย่างอื่นเออ่ให้ดูใจของเรานั่นแหละให้เอาใจของเรานะให้อยู่ในความสงบอย่าไปคิดไปทางอื่นอย่าไปเพ่งอย่างอื่นอย่าไปเพ่ง ดินน้ำลมไฟอย่าไปกำหนดอย่างอื่นให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทว่างๆแต่อย่าไปกำหนดอย่าไปเพ่งอย่าไปแต่งลมอย่าไปกำหนดลมให้เอาสติจับปลายจมูกก่อนที่เราจะรู้ว่าลมผ่านที่ไหน ให้เราหายใจแรงๆดูสักสองสามสี่ห้าหกครั้งหายใจเข้าแรงๆถูกลมเข้าไปลึกๆถึงท้องแล้วก็หายใจออกแรงๆแล้วก็หายใจเข้าแรงๆหายใจออกแรงๆเราจะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนเมื่อลมกระทบที่ปลายจมูกมีความรู้สึกอยู่ตรงไหนที่ลมกระทบเราเอาสติจับอยู่ตรงนั้นเมื่อจับอยู่ตรงนั้น อแล้วก็หายใจตามปกติเวลาหายใจเข้าเราจะรู้เออเย็นออกเราก็รู้แล้วไม่ต้องตามลมเข้าไปแล้วไม่ต้องตามลมออกมาเอาสติจับอยู่ตรงนั้นหายใจเข้ากระทบเราก็พุธหายใจออกกระทบเราก็โทเราไม่ตรงไม่ต้องเกรงไม่ต้องกึงไม่ต้องแปลงลมอะไรทั้งหมดทําใจให้ว่างๆทําใจให้สบาย ทำท่าทางร่าง ก, กายให้สบายกํำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุทธโธได้สักสิบนาทีหรือห้านาทีนะจากนั้นก็พิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายพิจารณาอย่างไงพิจารณาได้หลายหลายรูปแบบพิจารณากระดูกอย่างเดียวก็ได้แต่วันนี้จะให้พิจารณาส่วนรวมของร่างกายทั้งหมดแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกาย พอพวกเราเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่แล้วกายวิภาคเนี่ยคงจะชัดเจนอยู่แล้วแต่พวกเราได้ศึกษานั้นเป็นศึกษาทางฝ่ายทฤษฎีหรือฝ่ายเห็นตามความเห็นตามสัญญาและสังขารเห็นตามความรู้ความเห็นเห็นตามความที่เราเห็นด้วยตาของเราแต่นี้ ในหลักของพุทธศาสนาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วให้เกิดความเบื่อหน่ายร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเราทำไมว่าเราทำไมว่าของเราทำไมว่าไม่ใช่เราในหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าในตัวของเรามีอยู่สองคือรูปประธรรมและนามธรรมา คำว่านามธรรมตัวนี้แหละคือสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่พวกพวกเราว่าสมองก็ใช่เนื้ความนื้คิดอเป็นสมองความปรุงแต่งของร่างกายคือว่านามธรรมเนี่ยแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาธรรมะใจหรือตัวผู้รู้หรือวิญญาณหรือมโนสุดแท้แต่ท่านจะเรียก แต่อันเดียวกันไสรุปแล้วก็คืออันเดียวกันเจ้าว่าบิญญาณก็ใช่เจ้าวใจก็ใช่เจ้าว่าผู้รู้ก็ใช่เจ้าว่ามโนก็ใช่มโนก็คือใจนั่นแหละผู้รู้ก็คือมันรู้นึกคิดเรื่องต่างๆได้ใจก็คือหัวใจว่าความคิดความนึกเรื่องต่างๆได้ อันนี้เลให้เราแยกออกว่าร่างกายของเราเนะี่ยมีอยู่สองคือรูปประธรรมคือเห็นส่วนร่างกายตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายทุกส่วนเรีย ว, ว่ารูปประธรรมส่วนนามธรร ม, มพวกเรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มีความรู้สึกอยู่ทุกคนอยู่ในใจของพวกเราใจของเราเนะื้คิดเรื่องอะไรไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองนี่แหละหลักของ พระพุทธเจ้าหรือหลักของพระพุทธศาสนาที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างพวกเราได้ยินจากองค์หลวงตาวันนี้ทางว่าใจใจนั่นคืออะไรก็คือตัวผู้รู้นั่นแหละนั่นแหละทีนี้พอเรารู้ว่าร่างกายทําใจให้สงบตัวใจให้สงบก็คือตัวตัวผู้รู้นั่นแหละจะให้มันสงบตัวความคิดนั่นแหละตัวใจนั่นแหละ ให้มันสงบไม่ให้มันปุงฟุ้งออกไปข้างนอกแต่ส่วนกายนั้นเราก็นั่งอยู่ในความสงบอยู่แล้วหลับตานั่งขัดสมาธิอันนี้รูปธรรมอยู่ในท่าสงบอยู่แล้วแต่ส่วนจิตใจนั้นมันยังลุดเล็กหลุดเล็กหลุดเล็ ก, ล ก, ล ก, ล ก, ลกมันคิดออกไปปุ่งฟุ้งสาดไปข้างนอกบางทีนั่งอยู่บริเวณตรงเจดีแห่งนี้มันคิดไปทั่วโน้อร้านเอาหงร้านอาหารไปที่ไหนก็ไม่รู้ถึงพ่อถึงแม่ ถึงบงศาคนาญาตถึงเพื่อนเถึงพูงถึงใครก็ไม่รู้เพราะนั้นให้พวกเราดึงเข้ามาหากำหนดลมหายใจเข้าอย่าให้มันออกไปข้างนอกอย่าให้มันความคิดออกไปข้างนอกให้มันอยู่กับตัวเองขณะนี้ที่เรานั่งอยู่บนเจดีย์แห่งนี้แล้วกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโทพุทธโทได้สักสิบนาทีจากนั้นก็ให้เรา เอาจิตหรือใจของเราเนี่ยกําหนดตัวร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นแต่ว่าสัญญาสังขารเฉยเฉยให้เห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายด้วยนะให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเกษาท่านอุปชาท่านสอนเกษาผมโลมาขนหนาขาเล็บท่นตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อ เอ่าอันนี้ใครๆวันนี้อยากจะให้นักศึกษาทั้งหลายกําหนดตัว่เกศาผมเอาผมไว้กองหนึ่งสมมตินะสมมติเอาผมไว้กองหนึ่งคือว่าคนตายเนี่ะเหมือนเราเนะี่ยเหมือนเราออกจากร่างไปแล้วนะคือว่านอนอยู่นะเอร่อางมันนอนอยู่นะ่เมื่อเราําแหละศพอย่างนั้นนะ่ะเออหรือว่าสมบุกอาจารย์ใหญ่อย่างนั้นอนะ่ะ ใช่สำเร็จอาจารย์ใหญ่อย่างนั้น่ะแต่ว่าให้สำเร็จตัวเองไม่ต้องสำเร็จศพภายนอกเหมือนกับตัวเองให้นอนอยู่ให้นึกคิดว่าเกษาผมเราเอาผมของเราไว้กองหนึ่งโลมาขนเราเอาขนของเราทุกเส้นไว้กองหนึ่งหน้าขาเล็บ เราถอดเล็บนิ้วมือนิ้วเท้าไว้กองหนึ่งทันตาฟันเราถอดฟันทุกซี่เอาไว้กองหนึ่งตะโจหนังเราเอาหนังของเราถลกออกทั้งหมดเอาไว้กองหนึ่งมังสังเนื้อถอดเอาเนื้อทุกอันจำเลยเอาเนื้อทุกอันเอาไว้กองหนึ่ง หน้าหาโลเอ็นเราเอาเอ็นเส้นเอ็นไว้กองหนึ่งแล้วก็กระดูกเอาไว้กองหนึ่งตับเอาไว้กองหนึ่งไตเอาไว้กองหนึ่งลำไส้เอาไว้กองหนึ่งจนถึงอาหารใหม่อาหารเก่าเอาไว้กองหนึ่งเลือดเอาไว้กองหนึ่งสมองเอาไว้กองหนึ่ง ดีเอาไว้กองหนึ่งสรบแล้วคือสามสิบสองกองเอาว่าอาการสามสิบสองเกษาผมลมาขนนะคะาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเกี้อในกระดูกมา้ามตับหัวใจพังปืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเกา่าดีเสเลดเลือดหนองจนถึงปัสสวะอุจระปัสสวะ ให้เราเอาไว้เป็นกองกองกองกอสามสิบสองกองจากนั้นก็ให้กำหนดดูว่าผมเป็นของเราใช่ไหมขนเป็นของเราใช่ไหมเล็บเป็นเราใช่ไหมหนังเป็นเราใช่ไหมกระดูกเป็นเราใช่ไหมให้ไล่เป็นอันดันดูว่าร่างกายที่เราถอดถอนออกไปเนี่ยมันเป็นของเราใช่ไหม ถ้าเป็นของเราเราจะใช้ได้ไหมแต่ว่าเป็นฟันกองอยู่อย่างนั้นที่มันไม่ติดกัน่ที่มันติดอยู่ทุกวันนี้มันใช้ได้เพราะว่ามันมันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่อีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะตองลงไปอย่างนั้นอะ่ะยิ่ยงมากกว่านั้นไปอีกเมื่อจิตใจออกจากร่างแล้วนอนทับผมแผ่นดิน เองไม่นานร่างกายก็จะผุพองเปื่อยเน่าดินเข้าสู่ดินน้ำสู่น้ำลมสู่ลมไฟเข้าไปสู่ไฟดี ว, ว่าธาตุสีแตกสลายในที่สุดอย่างที่พวกเราได้กำหนดดูนั่นะอันนี้คือร่างกายของเราอันนี้คือให้เห็นตามความเป็นจริงคนเราถ้าหากว่าไม่หลงร่างกายมันจะไม่มีอันไหนหลงถ้าหลงร่างกายแล้วก็ต่อไปก็หลงอย่างอื่น หลงร่างกายอื่นหลงยดถาบรรดาศักหลงลาภยศชนะเสริญสุขมันหลงไปหมดถ้ามันหล่นร่างหลงร่างกายนะถ้าว่ารู้เท่ารู้ทันร่างกายของตนเองแล้วจะไม่หลงอันนี้คือหลักที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้เพราะฉนั้นพวกเราให้ภาวนาวิปัสนานะอันดับอันดับแรกก็ต้องเป็นวิปัสสนึกซะก่อน นึกคิดซะก่อนเมื่อนึกคิดหลายครั้งต่อหลายหนพิจารณาตามความเป็นจริงให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงให้พิจารณาถึงกายแล้วก็ย้อนมาหาใจใจก็คือตัวผู้รู้นั่นะว่าร่างกาย เ, ยเป็นของเราใช่ไหมถ้าว่าเป็นของเราเราจะให้มันแก่ได้ไหมเราจะให้มันเจ็บได้ไหมเราจะให้มันตายได้ไหมมันไม่ได้เมื่อมันไม่ได้จะเป็นของเราได้อย่างไร มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นดินน้ำลมไฟเพราะฉนั้นให้เราพิจารณาแยกแยะแบ่งส่วนแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เรียกว่าวิปัสนาอันดับแรกคือเป็นวิปัสสนึกสก่อนนึกคิดสก่อนแต่แยกแยะดูให้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมหรือเราหลอกตัวเองไม่ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมร่างกายเนี่ย เราปฏิเสธไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆคนเราตายเดี๋ยวนี้เราตายได้สิถ้าตายลงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีใครมาเก็บมาเอาไฟไปเผาเอาไปเผาเนะี่ยร่างกายเราก็นอนอยู่นี่เออไม่ถึงห้าหกเจ็ดวันหนึ่งแขงขาเยียดไปคนละทิศทางอีกจะไปก็เน่าเถอะพอเน่าเสร็จแล้วก็มันกเละจะถึอ ทาเดียวนี้มันม่มีมมมแรงมีแต่อีกาว น, นั้นแหละออีกาวมาคงจะมาจิกมากัดจากนั้นของแมลงวันพวกหนอนพวกอะไรเต็มย้อยเย้ไปหมดอ่ะท่นี้จากนั้นเป็นปีเป็นเดือนมามันคือเหือดแห้งหมดมีแต่เหลือแต่กระดูกเป็นโครงจากนั้นก็กระดูกก็หลายปีมันก็กระจักดกระจายไปสู่แผ่นดินเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถามใจดูสิ ตัวผู้รู้เนี่ยถิ่นึกคิดอยู่เดี๋ยวนี้ยอยมรับไหม ถ, ถ, ถ้ามันเป็นอย่างนั้นไหมมันคงจะปฏิเสธไม่ได้มันก็ต้องว่าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นท่านจึงให้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อถึงวันหนึ่งจะต้องแตกสลายในที่สุดจะต้องสูดินน้ำลมไฟแต่ส่วนจิตใจนั้นไม่แตกสลายไปด้วยต้องไปปฏิสนธิ หาที่เกิดใหม่อีกถ้าว่าเรายังไม่ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นยังติดใจยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่จะต้องไปก่อพบกอชาติอีกท่านยังว่าใจดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านบอกว่าใจตรงนี้คือนักท่องเที่ยวทั้งท่องเที่ยวอยู่ในไรโลกกระถา รู ป, ปรโลกอรู ป, ปรโลกกามรมโรกรู ป, ปรโลกอรู ป, ปรโลกท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมวงพวกปนเวียนอยู่ในในนี้เนีะน่ะสูงสู ง, สงต่ ำ, ตำๆ่ำล่มล้มรอนรอยู่อย่างเนี้ยไม่มีที่สิ้นสุดบางภพบางชาติก็ตกทุกข์ได้อย่ากบางภพบางชาติก็ถุงสูงส่งได้รับความสุขความสบายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ย บางครัง้งบางคราวก็สบายอกสบายใจแต่บางครัง้งบางคราวก็ทุกข์ยากในจิตในใจมันมีอยู่อย่างนี้เพราะนั้น พ, พระพุทธองค์ท่านมองเห็นแล้วท่าหม่าหน้าเบื่อหน่ายถ้าหาว่ามีภพมีชาติอีกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นจะทำยังไงจึงจะไม่ให้เกิดอีกนี่แหละคือต้น แนวความคิดของพุทธระพุทิเจ้าท่านจึงได้ ส, ะสะ่แสวนหาโมกขธรรมจึงได้ออกบวชเพื่อสาะแสะวนหาทางพ้นทุกในเมื่อท่านออกไปบำเพ็ญที่ถั้งหกปีหาทางด้วยบุญบา ร, รมีเก่าของพระองค์เป็นที่เกือกูลหนุนจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดรู้ธรรม นี่แหละตัดสู้ธรรมก็คือทาเหนือโลกจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละคือพบพบุทธองค์ใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญามีสมาธิทิิเป็นเบื้องตน้นมักแปดนี่แหละคื อ, อ, อถ้าจะว่าไปคือมันไฟแปดฟืนแปดดุ่นวบบงั้นทะ สมเผากิเลสให้หลุดออกจากจิตใจมรรคแปดสัมมาทิิทสมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมตสัมมาอาวิโวายโมสติสมาธิสรุปลงแล้วก็คือหมวดปัญญาสินสมาธิที่จะกำจัดหรือ ว, ว่าเผาตัวกิเลส ศินกำจัดกิเลสส่วนหยาบสมาธิกำจัดกำจัดกิเลสส่วนกลางปัญญากำจัดกิเลสส่วนละเอียดที่มันติดภพติดชาติยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆต้องใช้ปัญญาดัญญวะมหาสติมหาปัญญาคือปัญญาที่ละเอียด อย่างมากจริงจะชำระจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเหล่านี้ออกได้เพราะนั้นถ้าจะว่าไปกิเลสเหล่านี้มันก็อยู่ในจิตใจของพวกเราถ้าว่าเรายังติดอยู่ในกิเลส กิเลสก็อยู่ในใจของเราถ้าเราใช้ตปัธรรมคือสีนสมาธิปัญญาเผาตั่นกรองเข้าไปความมุรสุตก็จะออกไปอีกส่วนหนึ่งหลุดลอยออกไปส่วนหนึ่งเหมือนกับยานอวกาศออกจากโลกไม่มาเกี่ยวข้องกันอีกเป็นอนันตการ ถ้าจะว่าเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆก็เหมือนกับเขาทํามะพร้าวกะทิมะพร้าวนะ่ะใครเป็นคนสอนทีแรกว่าทํากะทิมะพร้าวทำยังไงทําน้ำมันมะพร้าวเนี่ยทำยังไงไม่มีใครรู้จักต้นต่อว่าวิธีการทํานั้นใครเป็นคนริเริ่มขึ้นก่อนแต่ว่าพวกเราที่อยู่จุดท้ายภายหลังก็เออคนโบราณเขาทํามาวิธีการทําของเขา กล้เคึงกับการประพฤติธปฏธิบัติธรรมในพระพุทธเจ้าอบรมสั่งสอนคือมะพร้าวเป็นลูกขึ้นมาจากนั้นก็มากระเทาะเปลือกขูดเป็นขวี่เรียกว่าเป็นขวีมะพร้าวจากนั้นมากั้นเป็นน้ำกะทิพอคั้นออกมาเป็นน้ากะทิกรองพอกรองเสร็จแล้วก็ใส่กระทะ พอใส่กระทะแล้วก็ไฟเผาให้เข้า่าต้มต้มเขี่ยวต้มเขี่ยกะทิทั้งที่มันเป็นกะทิขุ่นๆพอต้มเขี่ยวเข้าไปน้ำมันมะพร้าวมันลอยขึ้นข้างบนน้ำมันนะน้ำมันเป็นมันมันลอยขึ้นข้างบนกะทิตัวเนื้อกะทิมันจมอยู่ข้างล่าง จากนั้นพอมันได้ที่แล้วเขากระเทน้าน้ามันมะพร้าวออกมาน้ำมันมะพร้าวมันออกมาจากกะทิออกมาจากขวียมะพร้าวทีนี้เราเอาน้ามันมะพร้าวมาขย้ำกับขวียมะพร้าวให้มันเข้ากันอีกมันเข้ากันไม่ได้เพราะเหตุไรทั้งที่มันออกมาจากจุดนั้นทำไมมันเข้าไม่ได้เพราะมันออกมาแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันความบริสุทธิ์ของใจเรียกนิพพานังประมังสุขขังน่ะเหมือนกับ น, น้ํามันมะพร้าวออกมาจากใจที่มีกิเลสแต่ถ้าว่าจะเอาใจที่บริสุทธิ์นั้นขยําเข้าไปในหัวใจของมีกิเด็สมันเข้าไม่ได้ทั้งที่มันออกมาจากนั้นทําไมมันเข้าไม่ได้เพราะมันเป็นคนละอย่างกันมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันออกไปคนละอย่างกันเพราะนั้นธรรมะขั้นสูงสุด ในหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่ออกมาจากที่ไหนความบริสุทธิ์ออกมาจากความไม่บริสุทธิ์ออกมาจากใจเพราะนั้นท่านเจงว่านิพพานนิพพานังประมังสุขขงังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจเพราะนั้นธรรมะพนิพานมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจถ้าเราพิจารารู้เห็นตามความเป็นจริงปล่อยวาง จิตใจความบริสุทธิ์ก็จะหลุดออกจากตัวผู้รู้คือจิตใจนี่เองเพราะนั้นพวกเราถึงจะไม่หลุดพ้นถึงขนาดนั้นก็ให้รู้แนวทางเอาไว้ว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ออกมาจากจิตใจถ้าพวกเราทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งอันนี้คือพื้นฐานเบื้องต้นจากนั้นพิจารณาให้เห็นตามความความเป็นจริงถอดถอนอัตตานุษิต ตัวตนถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะความไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจากนั้นจิตของเราก็จะค่อยขยายคลายรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงก็เกิดความเบื่อหน่ายคลาย พอหลุดพ้นจากกิเลสอาสะวะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดไม่มายึดมั่นถือมั่นอีกเข้าไม่ได้เพรบังนั้นเถอะเหมือนกับน้ำมันมะพร้าวเนะี่ยมันเข้าไม่ได้อีกเพราะมันรู้แล้วมันเบื่อแล้วเห็นแล้วอาทางว่าออกไปมันเลยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดบัดนี้รู้แล้วเห็นแล้วเอท่านก็ออกจากความยึดมั่นถือมั่น จากนั้นก็เป็นอิสระนิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังศูนย์ยังศูนย์เพราะไม่มีราคะโทสะโมหะมันศูนย์ศูนย์ไปแล้วราคะโทสะโมหะเนี่ยศูนย์แล้วที่จะทําให้เชื้อมันเกิดกระโดดกระเด้งกระโดดโลดเต้นต่างๆคือกิเลสราคะโทสะโมหะมันศูนย์ออกไปจากจิตใจแล้วเพราะนั้นจิตใจ ไม่มีราคะโทสะโมหะจิตใจไม่คันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ไม่ร้อนแล้วเพราะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านนำมาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ของมาพูดแบบหลอกกันเล่นนะถ้าทำจริงเห็นจริงแล้วหลุดพ้นจากกิเลสได้แน่นอนไม่ต้องสงสัยขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ถึงจะไม่รู้บรรลุมรมมรคบรรลุผลก็พยายามไปยินได้ฟังเอาไว้เหมือนกับเรายังไม่ได้ไปอังกฤษอเมริกาแต่พวกเราก็ได้ศึกษาเอาไว้ว่าอังกฤษอเมริกานั้นเป็นอย่างไรดูแผนทีเท่เอาไว้เรียนเอาไว้อย่างพวกเราได้มาปฏิบัติในวันนี้พวกเราถึงจะไม่ถึงมรรคผลที่ผ่านแต่ผู้อาจจะเป็นบางท่านอาจจะเป็นผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่ ก็ยังพูดกันไม่ได้เหมือนกันมองกันไม่ได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเคยบำเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติแต่หลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราคงจะเคยได้บำเพ็ญมาจึงได้มาสนใจจึงได้มาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาอย่างพวกเราเป็นชมรมพุทธอย่างนี้แหละเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็จะได้ ฝากฝังหรือว่าชี้แนวทางสำหรับพวกเราเพื่อจะให้รู้จักหนักแน่นยิ่งขึ้นสำหรับพวกเราให้ศึกษาถึงจุดต้นต่อของหลักจริงๆคือใจออกมาจากที่นั่นทั้งหมดสรุปแล้วก็คือตั้งแต่หลวงพ่อพู ด, พดเบื้องต้วนว่ากายกับใจ นี่แหละคือหลักของพุทธศาสนาไม่มีอย่างอื่นพราะพระพุทธเจ้าท่านเน้นรู ป, ปรธรรมกับ น, นามธรรมารู ป, ปรธรรมนี่รูปร่างกลางตัวเป็นมาอย่างไงแก้ไขได้ยากแทจึงจะตกแต่งอย่างไงรูปร่างกลางตัวก็ยังลักษณะนั้นอยู่แต่ใจนี้จะให้โง่จะให้ฉลาดตกแต่งได้ต้องพยายามกันกองพิจารณาใช้สติปัญญา ปรับปรุงแก้ไขได้ใจจนถึงเป็นพระอระหันต์ก็ใจแต่รูปร่างกลางตัวนั้นเป็นมาอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ส่วนจิตใจนั้นปรับปรุงแก้ไขได้พระโสดาสกทาคานาคาอารหันต์ปริยาตรีโทเอตก็คืออะไรก็คือใจนั่นแหละใจนั่นรู้ใจนันฉ ล, ล, ลาละรับรู้รับเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นพวกเราวันนี้ได้มา ศึกษาภาคปฏิบัติ mm. อันนี้ก็เป็นวันที่ 10-11 เข้ามาแล้วที่พวกเราได้บวช mm. ยังเหลืออีกเวลาไม่มากเพราะฉะนั้นให้ตั้งอกตั้งใจพอพฤติปฏิบัติพยายามทําให้ต่อเนื่องไม่ต้องคิดอถึงทางโลกถึงจะคิดหรือไม่คิดก็ถึงวันมาแล้วก็ต้องเนรออกไปสู่ทางโลกแน่นอน mm. เพราะนั้นในขณะที่ เป็นนักพจนักบวดเป็นพระอยู่ในให้ทักอกตั้งใจภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เน่งน ะ, ะต่อนนี้ไปเราพยายามนั่งภาวนาต่อไปแนะล้วหลวงพ่อจะหยุดโพูดแล้วนะที่นี่นะกําหนดลมหาย ใ, ใจเข้าพดท้ายจะออกโตจากนั้นใครพิจารณาอย่างที่หลวง พ, อพ่อพูดนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเอาเป็นกองกองจากนั้นก็ให้ถามใจตัวเองว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงไหม แต่จะเห็นด้วยสัญญานะเห็นด้วยปัญญานะถามด้วยปัญญาให้ขมวดกุจจิตดูด้วยปัญญานะ